ทรงประชุมสงฆ์บรรยัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีจำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุจริงหรือภิกษุทั้งหลายทุรรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย